ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัญญาสัมปันโนเสนอตอนที่23หลวงปู่มั่นเอาผ้าห่มมาให้ถวายเปลือกน่องและเมตตาสุดขีดหลวงตามหาบัวญาสัมปันโน ได้ให้โอวาตธรรมเอาไว้ว่าทำครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสจอมปราดคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสาวกจนะของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านมีความเย็นไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายเย็นความสุขของท่านก็ไม่เหมือนโลกทั้งหลายสุขเพราะท่านบำเพ็ญธรรมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็หัวใจและความสุขที่แสดงอยู่ภายในจิตใจของท่านยึงไม่เหมือนความสุขใดในโลกอันนี้ความสุขนั้นจะรู้ได้เฉพาะผู้สิ้นกิเลสผู้ไม่สิ้นรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้คำว่าบรมาสุขคือสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยอดเยี่ยมเราจะคาดจะหมายว่าสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้คาดเท่าไหร่ก็คาดไม่ถูกถ้าจิตไม่ได้ถึงขั้นประเภทนั้นแล้วคาดไม่ถูก ปราทั้งหลายท่านบำเพ็ญความดีความดีนั้นแลรวมกำลังเข้าไปและหนุนกิจใจนั้นให้เป็นความสุขเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นโชคเมื่อบุญกุศลมีกำลังเต็มที่สมบูรณ์ภายในกิจใจแล้วย่อมยกเจ้าของให้หลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตสาหพยายามสร้างคุณงามความดีความดีนี้ไม่มีคาว่าล้าสมัย เพราะความดีนี้ยังผลให้เป็นสุขคำว่าสุขนี้ในเตสัตว์ยิรชานก็ต้องการความทุกข์ไม่มีใครต้องการเลยหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะจำภาษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเอาไว้ว่าอย่างท่านี้ก็เหมือนกันพระห่มกันหนาว เพราะพราแม่ครูจรยนมั่นท่านรู้ว่าเราไม่ ห, มหม่มผ้าห่มเรื่องก็รู้ถึงท่านเราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่มีผ้าห่มเพราะเราไม่เอาผ้าห่มมีเท่าไหร่เราก็ไม่สนใจนอกจากการปฏิบัติตนเองให้เคร่งครัดและสุดท้ายเพราะแม่ครูจานมั่นท่านก็เอาผ้าห่มขององค์ท่านมาให้กับเราถ้าเอาผ้าห่มเพื่นใหม่ๆ ม, มาให้เราก็กลัวเราจะไม่หม่มท่านเอาผ้าห่มของท่าน ที่หมแล้วมาบางังคับุลให้เราเพื่อเราจะได้หม่มท่านคิดหมดเลยนะอุยท่านทำดีนะผ้าพับมาเรียบร้อยเอาดอกไม้เอาเทียนมาวางไว้ไปวางไว้บนที่นอนของเราเลยนะกุติหลังเตีย้ยๆท่านขึ้นไปเองเอาไปวางไว้เราขึ้นไปพิจารณาดูอุยมันผ้าพ่อแม่ครูจานมั่นผ้าที่ท่านครองอยู่ทุกวี่ทุกวันท่านห่มอยู่ทุกวันเราดูเราก็รู้แล้ว มีเทียนวางอยู่อย่างเรียบร้อยเป็นบางสุกุลท่านทำเองเวลารับผ้าท่านดูแล้วก็เอาไว้แล้วก็ดูรอยเท้าท่านมาจากทางกูติดำมด้อมขึ้นมานี้ก็กลับไปตามดูรอยเท้าของท่านท่านคงสงสารเรามากเห็นว่าเราไม่ใช้ผ้าหม่มก็คือความเด็ดขาดของเราเองไม่ใช่อะไรนะผ้าห่มมีแต่เราไม่เอาท่านก็รู้ท่านเอามาบางสกุลเราก็ห่มใช้ หลวงตามหาบุวญาสัมปันโนได้เล่าชีว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่มันสลักลึกอยู่ภายในหัวจิตหัวใจพ่อแม่ครูจารมั่นองค์ท่านพูดถึงเรื่องเปลือกน้องคือเปลือกน้องทุบสี่ยนเข้ามามาแผ่ออกทําเป็นอาสนะนั่งได้เป็นอย่างดีแต่ก่อนเคยใช้เปลือกน้องทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่มีต้นน้องพ่อแม่ครูจารมั่นท่านว่าอย่างนั้นนะชื่อต้นไม้ชื่อน้อง เป็นต้นไม้เปลือกหนานนะเวลาเราต้องการจะเอามาปูนี้เราไปตีให้ย่นๆเข้ารอบด้านทุกๆด้านแล้วแผ่ออกมามันก็อ่อนนุ่มๆอยู่ในตัวของมันเองเอามาตากแห้งเรียบร้อยแล้วก็เอามานั่งทําเป็นอาสนะพอพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดถึงเรื่องเปลือกน่องว่าแต่ก่อนใช้เปลือกน่องอยู่เป็นประจำแถวถิ่นนี้ไม่มีเปลือกน่องเลยไม่ได้ใช้เปลือกน่อง เราก็กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทันทีว่ามีท่านถามว่าจะมีอยู่ที่ไหนอยู่ทางโน้นนี่กระผมไปเที่ยวทุดงทางถ้านั้นๆจังหวัดสกลนอครมีเยอะกราบเรียนท่านอย่างนั้นกระผมจะไปหามาถวายให้องค์ท่านนั่งนิ่งๆแล้วจากนั้นมาอีกสองถึงสวันก็กราบเรียนท่านถึงเรื่องที่จะไปเอาเปลือกน่องมาว่าจะต้องค้างคืนจากน้องผือเดินทางไปไม่มีรถยนต์เดินไป พอตกลงกันเรียบร้อยแล้วตอนค่านั้นก็กราบเรียนท่านว่าวันพรุ่งนี้กระผมจะได้ออกเดินทางแต่เช้าไปฉันจังหันที่อำเภอพันนาจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องเรื่องต่างๆกับพระกับเนนกับข้อวัดปฏิบัติต่างๆทีนี้ก่อนจะออกเดินทางหนูมันก็ชุมถ้าสิ่งของไม่เก็บให้ดีๆไม่ได้หนูมันจะเข้าไปกัดฉีกทํำลายหมดบริขารเราก็ไม่มีมากนี่นะมีเล็กๆน้อยๆ เราก็จัดเอาของเล็กๆน้อยๆมาใส่ถุงย่ามเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วางียงหมอนไว้ที่นั่นแหละแล้วก็สั่งกรรมชับกับพระเอาไว้ว่าเวลาผมออกไปแล้วให้ผ่ากันเอาย่ามที่ผมเอาของใส่ไว้ข้างในนั้นให้เอาไปเก็บไว้ให้ดีนะไม่งั้นหนูมันจะกัดเราสั่งพระไว้เรียบร้อยพระก็ทราบแล้วทีนี้เราก็ออกเดินทางแต่เช้าพอพ่อแม่ครูจานมั่นฉันจหงทเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้น ท่านก็ถามพระอท่านมาหาไปแล้วหรือไปแต่เช้าแล้วขอรับพระตอบเรียกว่าองค์ท่านจะไม่มีอะไรนะพอฉันเสร็จแล้วลูกจากที่นั่งไปกุฏิเราตรงขึ้นข้างบนเลยขึ้นไปเฮ้ควาเอาย่ามที่เราเอาวางไว้ข้างหมอนสภาย่ามลงมาเลยนะพระก็รุมไปหาท่านท่านกำลังเอาย่ามเราไปกุฏิองค์ท่านแปลกมากอยู่รู้สึกท่านเมตตา ม, มากเราพิจารณา เพราะไม่เห็นท่านทํากับองค์ใดๆอย่างนี้ทีนี้พอองค์ท่านเดินลงมาจากกุฏิเราพระก็รุมเพื่อจะไปเอาย่ามกับองค์ท่านอย่ามายุ่งท่านว่าอย่างนั้นนะท่านก็เดินเรื่อยๆพระก็เดินตามไปพอไปถึงกุฏิท่านแล้วท่านก็เอาย่ามของเราวางข้างๆท่านแล้วพระก็รุมตามไปกราบท่านจากนั้นก็เอาแล้วนะทีนี้นะนี่ท่านมหาไปทําประโยชน์รู้กันไหมนี่ แล้วของที่ท่านวางไว้นั้นทําไมทิ้งไว้อย่างนั้นไม่เห็นใครไปดูแลเจ็บสิ่งของของท่านมันยังไงกันท่านว่าอย่างนั้นพระก็เลยกราบเรียนว่าก่อนที่ท่านมหาจะไปท่านได้สั่งพวกกระผมเรียบร้อยแล้วว่าท่านได้จัดย่ามวางไว้ข้างหมอนให้ไปเจ็บไว้ด้วยหนูมันจะจัดพวกกระผมฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยจึงจะไปเอามาเจ็บแต่พ่อแม่ครูจานไปเอามาเสียก่อนท่านก็เลยนิ่งนะ พอคุยกันพอสับวนแล้วพระก็คลานขึ้นมาเอาย่ามท่านก็ไม่ว่าอะไรรู้สึกว่าท่านเจ้ามากนะสำหรับเราเหมือนเรดาร์จับตลอดเลยพามเคลื่อนไหวเราไปไหนมาไหนจับตลอดหลวงตามหาบัวยานสัมปันโลได้เล่าถึงความเมตตาของพ่อแม่ครูจาันมั่น ที่มีต่อองค์ท่านเอาไว้ว่าในตอนเช้าก็เหมือนกันพอออกจากห้องแต่ก่อนเรานั่นแหละจะเข้าถึงองค์ท่านก่อนใครๆเข้าไปในห้องท่านพอท่านเปิดประตูบริหารอะไรๆเรานั่นแหละจะเป็นผู้ขนขนออกมาให้พระให้เนรครั้านพอนานๆมาท่านก็ป่ารบว่าเออพระที่มีอายุพรรสามากแล้วไม่ควรที่จะมาเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติ สำหรับเรามากนักเพียงมาอยู่ห่างๆปล่อยให้พระเนรเหล่านี้มาทำข้อวัดปฏิบัติต่อไปอย่าไม่มีนิสัยจุดตัวมันหลักถ้าไม่ให้มันทำบ้างท่านป่ารบว่าอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาเราก็อยู่ห่างๆเป็นแต่เพียงว่าบอกกับพระว่าองค์ไหนที่เอาบริขารชิ้นใดๆของท่านลงมาอย่าให้ก้าว่ายกันเราเป็นแต่เพียงผู้อยู่ห่างๆบางทีก็นั่งอยู่ข้างนอกห้อง ในกุฏิท่านคอยดูพระเนรเอาบริหารท่านลงไปบางทีเราก็ไม่ขึ้นแต่เราจะมาเย็นอยู่ใต้ถุนกุฏิคอยดูพระเนรเอาของลงมาถ้าท่านไม่เห็นเราประมาณสักสอหรือสาวันท่านจะถามพระว่านี่ท่านมหมามาไหมตอนเช้าท่านมหมามาไหมมาท่านอยู่ข้างล่างพระกราบเรียนท่านท่านจะนิ่งเลยนี่เหมือนกับว่าเรดาร์จับอยู่ตลอดเลยทีนี้ เวลาเราจะกราบลาท่านไปที่ไหนรู้สึกว่าท่านจะไม่อยากให้ไปแต่ท่านก็เห็นใจในเรื่องความภาคความเพียรของเราท่านคิดถึงเรื่องพระเรื่องเนนส่วนมากท่านคิดถึงเรื่องนี้เพราะเวลาเราอยู่พระเนนเรียบหมดเวลาเราออกไปแล้วพระเนรอาจจะรั ก, กิรากกะขวางหูขวางตาท่านหนักใจก็ได้ทีนี้พอถึงเวลาจะไปแล้วเช่นปรึกษากันอย่างวันนี้เว้นอีกวันสองวันทีนี้ เวลาจะไปลาจริงๆคลองผ้าขึ้นไปแหละพอขึ้นไปท่านมองเห็นเฮท่านมหาจะไปไหนจะไม่ไปละมัง้งจะอยู่ด้วยกันนี้ละมัง้งเศเษือนใจแล้วนะทีนี้ทั้งๆที่ท่านรู้ว่าเราจะลาก็ตกลงกันแล้วเรียบร้อยท่านยังใส่ปัญหานะเราก็กึกเลยเชียวนี่ถ้ า, ากว่าท่านไม่มีเงื่อนไขคลองผ้าขึ้นมาแล้วก็ตามเราจะไม่ลาท่านเรากลับเลย ทีนี้ท่านก็สงสารอยู่ท่านนิ่เงื่อนไขพอนั่งคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วฮึอยากจะไปเที่ยวเหรอท่านว่าก็คิดว่าอยากจะไปวิเวกภาวนาชั่วระยะการเราเรียนท่านอย่างนั้นท่านนิ่งแล้วให้เหตุผลนะยิ่งอยู่ครู่แล้วกล่าวว่าถ้าอยู่ก็ได้กำลังใจไปก็ได้กำลังใจอยู่ดีกว่าถ้าอยู่ก็ได้กำลังใจไปไม่ได้กำลังใจอยู่ดีกว่า ถ้าอยู่ไม่ได้กำลังใจไปได้กำลังใจไปดีกว่าถ้าทั้งไปทั้งอยู่ไม่ได้กำลังใจให้อยู่ดีกว่าคำพูดของท่านแยกออกมาละเอียดมากเออไปท่านว่าพอเราไปสักหกถึงเจวันมัง้งเออท่านมาหาไปอยู่ยังไงนาองค์ท่านถามถึงด้วยนะคือท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระเนนจะเป็นผู้เล่าเรื่องให้เราฟังหมดนั่นแหละ สำหรับท่านเองเฉยนะเราก็จับไว้ลึกๆท่านถามถึงเราองยังไงเราทราบแล้วเราก็เงียบคือเป็นอย่างนั้นตลอดมาเพราะแม่ครูจานมัน่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราก็ไม่อยากไปเจอท่านเพราะรู้สึกว่าท่านเมตตา ม, มากทั้งที่อนุญาตให้ไปแต่ต้องถามถึงเรื่อยว่าเฮะท่านมหาไม่เห็นมานนะหลายวันแล้วบางทีธรรมะท่านขึ้นภายในใจเออวันนี้ บาลีผูดขึ้นแล้วท่านมหามาจะให้ท่านมหาแปลให้ฟังนะท่านว่าอย่างนั้นรอท่านมหามาก่อนแล้วค่อยพูดพอเรามาท่านก็ว่านี้บาลีขึ้นแล้วนะยกบาลีขึ้นปึงปึงอ้าวแปลใครเป็นมหาแปลเราก็ข อ, อนห้หม่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโปรดไม่ตาไปเลยท่านก็ผางทันทีเลยก็ท่านรู้หมดแล้วนี่ท่านหาอุบายที่จะก้าวเดินธรรมของท่านต่างหากโดยเอาเราเป็นพื้นฐาน เพราะธรรมะภายในใจท่านมักจะเกิดเป็นภาษาบาลีบาลีเป็นภาษามคตความเข้าใจขึ้นพร้อมกันเลยบาลีขึ้นยังไงความเข้าใจไม่ต้องแปลคือขึ้นพร้อมกันความเข้าใจปรากฏขึ้นพร้อมกันนี่เราพูดถึงเรื่องเพราะไม่ครูจารย์มั่นเมตตาท่านเมตาาเมตาเราสุดีเราปฏิบัติต่ตอท่านมันเท่ากันได้เรียกว่าทุกกระเบียดก็ไม่ผิดเราเป็นผุุ้ชนก็ตาม แต่ความเคิดทูนเคารพเรื่องใสที่มีต่อองค์ท่านนั้นมันเต็มหัวใจ